ตอนความสุขสามระดับตอนที่1วันที่21มีนาคม 2,562 มีหลายระดับนะทุกคนสแสวงหาความสุขนะแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรนะส่วนมากเราเข้าใจว่าความสนุกสนานความสะดวกสบายความพึงพอใจความสะใจคือความสุขนะทีนี้มันมีหลากหลายความสุขที่มีบางคำถามบอกว่า คนเราสุขไม่เหมือนกันบังคับให้สุขเหมือนกันได้หรือนะอันนี้ก็เนื่องจากมีคําถามมากนะคเพราะครูจะใช้เวลาพูดความสุขสั้นๆแล้วก็ถ้าพังวีทีอาเขาพร้อมนะก็มีเสียงเรียกร้องว่าให้ทบทวนพูดเรื่องมรณานุสติอีกรอบหนึ่ง น, นะแล้วก็คําถามแล้วก็ตอบคําถามนะก็สั้นๆ ความสุขมีหลากหลายแต่ยอมันเป็นสามบระดับอันที่หนึ่งเรียกว่ากามมาสุขความสุขซึ่งเกิดจากการเสดกามกามมาคุณหนะเออบางคนสุขเพราะว่าได้เห็นรูปสวยนะรูปซึ่งเราพอใจเราก็รู้สึกสุขนะอันนี้รูปบางคนอย่างอื่นไม่สนใจนะกินอย่างเดียว อร่อยนะอร้รนะ้อนนได้กินอร่อยแนตะ่สุขมากใครจะยังไงกระช่างขอให้ชั้นกินของอร่อยนั่นคือความสุขของฉันนะบางคนก็ความสุขจากกลิ่นชอบกลิ่นแบบนี้นะถ้าได้เจอกลิ่นแบบนี้มีความรู้สึกสุขนะรูปรถกลิ่นบางคนก็ชอบเสียงฟังเพลงถ้าได้ยินเพลงที่ชั้นชอบเนี่ยก็รู้สึกสุขละ เห็นไหมไม่รู้เนื้อหาเพลงแต่ได้ยินว่าเออคนที่ร้องนี่ฉันชอบแล้วก็รู้สึกเนี่ยความสุขเกิดจากกันได้ยินเสียงความสุขเกิดจากสัมผัส น, นะการคือประสาทสัมผัสจากกายเนะี่ยนะเย็นร้อนอ่อนแข็งนะถ้าเราสัมผัสไอสิ่งที่เราชอบเราก็รู้สึกสุขนะอันนี้ก็เรียกว่าการมาคุณห้านะความสุขเกิดจากการเสกการ นะแล้วก็มารู้สึกเสพการมาคุณห้าเราก็รู้สึกพอใจใ น, ใน พ, พอใจที่ใจเราเนี่ยนะนะอันนี้คือเราก็รู้สึกว่าเร า, เราสุขนะอันนี้เขาเรียกว่าการมาสุขนะซึ่งเป็นโลกิยาสุขซึ่งผู้คนในสังคมทั้งโลกตอนนี้ก็ความสุขเกิดจากสิ่งนี้นะเกิดจากสิ่งนี้ ส่วนสุขที่สองสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าฌานสุขความสุขเกิดจากการทำสมาธินะเข้าไปอยู่ในฌานของจิตแล้วก็ฌานเขาก็แบ่งเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่มันก็มีหลายระดับนะเออฌานหนึ่ง ต้องข้ามขนวิตกนะมันมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกขาตาลงนะเออถ้าเราข้ามขนวิตกปุ๊บมันก็เกิดความสมุขโชคู่เกิดความสุขระดับเลยนะข้าม้นวิจารนะอันนี้ก็ขึ้นไีกระดับเลยบางทีก็เป็นติดทิฏปิตินะปิติสุขแล้วปิติยินดีเล้รู้สึกสุขนะอันนี้เป็นความสุขเกิดจากฌาน บางทีก็กล้าไปถึงไอ้ตัวสุขจริงๆรู้สึกสุขพอใจยินดีสงบสงบนะเขาเรียกว่าสงบสุขทีนี้ตัวสุดท้ายถึงชฌานสีเนี่ยสมาธิสูงสุดคือฌานสีคือเอกะัตารมมีอารมณ์เดียวคือสงบอุเบกขานะสงบนิ่งอันนี้แล้วว่านี่แหละฌานพวกนี้เนี่ย ถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะเกิดความสงบสุขโดยไม่ต้องเสพนะการ ม, มาสุขเนี่ยเกิดจากการเสพเป็นโลกีสุขเป็นสุขทางโลกโลกนะเป็นสุขทางโลกโลกส่วนฌานสุขเนี่ยเราทงขึ้นมาด้วยตัวเราเองได้นะแต่ฌานสุขนี้เนี่ยมันเป็นของชั่วข่าวมันสงบสุขชั่วข่าวมันสงบเพราะเกิดจาก เรกเจริญฌานคือฝึกสมาธินะอันนี้สร้างขึ้นมาเองได้ไม่ต้องเสียสตังไม่ต้องไปเสพก่อนเขาให้สุขนะอันนี้ก็เข้ามาถึงสุขแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากจิตเราเองแต่มันไม่ถาวรส่วนสุขสุดท้ายนี่เรียกว่าวิปัสนาสุขนะคือฌานสุขเนี่ยเกิดจากการทำสมาธิ การมาสุขเกิดจากการเสดส่วนวิปัสนาสุขเนี่เกิดจากปัญญาเมื่อจิตเกิดปัญญารู้แจ้งก็จางกว่ความยิดมั่นถือมั่นต่างๆนะสุขเพราะไม่ทุกข์เท่านั้นเองไม่มีอารมณ์สุขเน่ยฌานยังมีอารมณ์สุขเพราะว่าเขาสงบเขาสงบเขาก็เลยสุขส่วนวิปัสนาสุขเนี่ย ไม่มีอารมณ์เพียงแค่ว่าไม่กังวลไม่ทุกข์เท่านั้นเองนะเกิดจากปัญญาเกิดจากปัญญารู้แจ้งของจิตแล้วก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความกังวลห่วงใยลังเลสงสัยต่างๆนี่แหละคือความสุขแท้ถ้าใครทำได้ตรงนั้นนะ่ะเป็นสุขถาวรไม่มีเปลี่ยนแปลงนะ ตอนเราจเจริญวิปัสนามันก็มีหลายระดับอยู่ว่าว่าเราทําได้ขั้นไหนนะส่วนการจเจริญฌานสมาธิก็มันมีมันมีหลายระดับของมันเหมือนกันนะเอาเป็นว่านั่นแหคือรวมๆแล้วว่าขอให้ทางไปเรื่อยๆเราจะสัมผัสความสุขนั้นโดยไม่ต้องเสพชีวิต จ, จริงเราต้องเสพก่อนนะอยากกินอะไรอร่อยเนี่ยก็ต้องหาเงินไปซื้อกินกินเราใช้ลิ้นเสพ ดิ้นสัมผัสปึ๊บอารมณ์ที่ใจบอกมีความสุขเพราะฉันชอบใช่ั้ยเราต้องไปฟังเพลงก่อนอไปดูเขาเล่นละครเล่นดนตรีเล่ น, น, เ, ล น, เ, ลนเล่นดีเทอะไรก็ท่านนะเสพทางตาด้วยหูก็ฟังด้วยนะเรื่องนี้พ่อครูก็ดำเนินชีวิตไปอยู่เมืองนอกคิดว่ารอบโลกแล้วลนะ่ะ ไปสัมผัสหลายๆวัฒนธรรมอยู่เพราะกูสรุปว่าคนไทยคนไทยเสบสุขเก่งที่สุดคือยกตัวอย่างนะอาหารเราเนี่ยต้องปรุงหลายรสหลายชาติในจานเดียวใช่ไหมอาหารหรังเนี่ยเขาก้อนเนื้อก้อนเดียวเลยไก่ก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีอเ น, นียคื อ, ค, อคือมัน น, น่ของเราเนี่ยต้องต้องกลุงแต่งเอาล่ะอาหารรสจัดไม่พอต้องฟังเพลงด้วยดูสแสดงละอรด้วยเห็นไหมสมัยก่อนแถวเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยเป็นแถวเลยเนาะแต่ พ, พ่อคูนึงเนี่ยละคนหนึ่งนะตอนเย็นไปปื๊บเลยกินข้าวเองไม่เป็นหนอนถ้าไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้เห็นการสแสดงตลกตะลพวกนี้แต่พวกเราคนไทยเราเสียบเก่งมากใน <c oughs> ขนาดเดียวกันเสียบเลยเสียบทั้งตาตาตาหู ทางกลิ่นทางรถนะนั่นเราติดสุขในการมมาสุขนะแต่ถ้าเราถูกคนขัดขวางปุ๊บเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะกาลังเสพสุขอยู่มีคนมาขัดขวางมีคนมาทำลายปุ๊บเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันก็เป็นสุขสุกดิ บ, ดบนะเป็นสุขสุกดิ บ, ดบ สุขเกิดจากการแลกเปลี่ยนโดยการเสด น, นะถึงว่าชีวิตเราข้างนอกเราสแสวงหาความสุขลราก็เสือมกรสนอย่างน้อยๆทุกคนก็ต้องหาสตังมาก่อนเพื่อไปซื้อความสุขเหล่านั้นนะส่วนฌานสุขนี้เรานั่งอยู่บ้านคนเดียวเราสามารถทั้งตัวเองสุขก็ได้นะโดยเจริญฌานคือฝึกสมาธิเมื่อสงบแล้วก็สุขนะนี่ไม่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะฝึกนานๆอารมณ์เราก็อ่อนลงออลง ทำแค่สัมมถฐกัมมาฐานเนี่ยว่าทำอย่าหยุดนะทำไปเรื่อยก็บรรลุทําได้นะอ่าไม่ก็ทั้งตามลมหายใจเข้าออกไม่ต้องเจริญวิปัสนาแต่ว่าทําไปเรื่อยๆแต่ต้องหยุดสร้างกรรมด้วยนะคือต้องละชั่วด้วยแล้วก็ทํานี้ไปเรื่อ ย, สยๆสะสมแบก็บรบรลุทําได้แต่ในยุคนี้เมื่อกูดูแล้วเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าชีวิตเราเผลอปุ๊บก็ดูดเราของใหม่เข้ามาตลอดสมาธิแค่ไปกดมันไว้เฉยๆนะถ้าเราปีกตัวไปอยู่หนี้ไปอยู่ในป่า นะไม่ต้องไปกระทบอะไรเลยไม่มีอะไรเล้าใจเลยโอเคเราก็จเจริญฌานไปเรื่อยๆนะพัฒนาฌานไปเรื่อยๆก็บรรลุทำได้เหมือนกันนะแต่ยุคนี้เข้าใจว่าไม่ง่ายเพราะชีวิตเราเนี่สิ่งล่อใจการกังวลห่วงใยมันมันมากเหลือเกินนะเราต้องพัฒนาไปสู่วิปัสนาสุขนะโดยให้จิตเกิดปัญญาแล้วก็ มันวางพวกกูพูดได้เพราะว่าพวกกูผ่านด้วยตัวพวกกูเองไม่มีไม่เคยอ่านหนังสือด้วยไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรนะแต่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงจากตัวพวกกูเองนะสีปีวิ่งไปตามโลกโดยเฉพาะบรรปลายชีวิตนายวงเบกาศนะิลห้าบอกไม่ให้ทําอะไรทําหมดเพรติดเสพสุดเห็นไหมเสพหมดเอาเงินซื้อทุกอย่างที่ขวางหนะ้าเห็นไหม เสพอะไรอร่อยก็กินเล่าแพงแพงทุกยี่ห้อนะสูบบุหรี่วันนึงสาสี่ซองลดเสพแล้วก็หลงว่านั่นคือความสุขเสพ จ, จนตัวเองกำลังจะเดี่ยงกาลังจะเลี่ยงเห็นไหมก็พอจิตมันพลิกปุ๊บมันเปลี่ยนเลยนะไอ้ที่เคยเสพอยู่เนี่ยลืมรสชาติมันเห็นไห ถ้าเราไปนั่งคิดเราจะมอ ง, งว่าให้เราทำไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อจิตมันพลิกมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันก็วาไงไอ้ที่เรายึดมั่นถือมัน่นเราหลงองค์ความรู้ผิดที่เราหลงว่ามันเป็นความสูงนั้ น, นอะ่ะมันถูกทำลายทิ้งโดยไม่อ้างเหตุผลทั้งนั้นเพราะว่าจิตมันไปสัมผัสด้วยตัวมันเองว่าเราพบแล้วเราพบแล้วแล้วก็หยุดทุกอย่างได้เวลานั้นเลย นะภายในเวลานั่นเลยไม่ต้องค้างคืนไม่ต้องใช้เหตุผลก็คือเจอแล้วก็คือหยุดเคลียร์ทุกอย่างที่สิ่งที่เราต้องไปชอบเคลียร์ออกมาเลยวางทันทีนะแล้วก็ถอยมาใช้ชีวิตอยู่ตรงศูนย์พลานข่อย3าปีนะมันไม่ก้าวหน้ามันไม่ถอยหลังมันก็เป็นปกติของมันนะส่วนกายภาพมันก็ต้องเปลี่ยนตามอายุขของมัน นะส่วนศูนย์พระลานคอยออมีสิ่งปลูกสร้างบ้างก็เปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยแต่จิตเราไม่มีก้าวหน้าไม่มีถอยหลังมันก็อยู่ของมันอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาสูงรนะก็ข้างบนพร้อมหรือยังอชมก่อนแล้วดูอีกครั้งนะ ตอนนี้ตรงซ้ายมือเนี่เป็นวันแรกที่เป้าหองเนี่ย เ, เสียชีวิตเหมือนคนนอนหลับนะส่วนข้างขวามือเนี่ยผ่านไปเก้าวันอยู่ในตู้เย็นตู้เ ย, ย็นนะนะวันที่เราจะเผาแล้วก็เปิดออกมานะ เ, ออเอาน้ำมะพร้าวสงกันนะเปลี่ยนปากแดงนะ แล้วก็คิ้วดําขึ้นมาเห็นไหมคิ้วดําขึ้นมากว่าเกา่าแล้วก็หน้าสีชมพูเขาถ่ายไม่เห็นเล็บนะคือเล็บนี่ยาวขึ้นมาอีกนะนะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เลือดนมไม่ไม่วิ่งแล้วไงเออก็เป็นซีดๆนะแต่พอผ่านไปเก้าวันเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเห็นไหมบางคนคิดว่าทาลิป pues, สติกทาอะไรเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้เห็นเห็นเห็นสภาพเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะนะโอเคครับตรงนั้นเป็นดวงจิตที่ว่าลูกศรเขียวๆนะอันนี้เราเรียกว่าวิสุทธธรรมพวกกูเรียกว่าดวงจิตแต่หลายปีก่อนที่สูนเนี่ยถ่ายทุกวันเห็นเนี่ยเต็ไมไ่หมดเลย นะอยู่ในศาลาเขาก็มาปฏิบัติกับเรานะมีหลากหลายสีนะสีเขียวสีฟ้าสีน้าเงินสีเหลืองสีอะไรๆตัวนี้เรียกว่าเป็นสีทองนะพวกกูเรียกว่าดวงจิตอันนี้ช่วงงานนะนะพ่คูพูดอะไรก็ได้เป็นดวงจิตของป้าหอมนะในข้างบนอนะ่ข้างบนอยู่ลงศพนะอยู่นี่ตลอดนะ เนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนไหวได้เห็นนะเนี่ยณตรงรูปพระหองตรงหน้าศพเนี่ยก็มีเสียงพระพุทธรูปนะเสียงพระพุทธรูปเนี่ยสะท้อนออกมาถึงตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยภาพพระหอมอยู่เนี่ยพเะพทธูปองค์ใหญ่เราใครไปศูนรู้นนะอยู่ข้างบนสูงมากหันหน้าไปทางโ น, น้น ก็แสดงว่าหันหลังให้ให้ภาพตรงนี้แต่ตรงนี้สะท้อนมาปุ๊บกลายมาพระทรลูกเี่ยหันหน้ามาหาพระองค์นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดต่อไปเลยนะอันนีน้นีเห็นเห็นเห็นภาพใหญ่หน่อยออันนี้เกือบเต็มเลยนะเ น, นี่ยดวงจิตก็เดินตามเวลา พระท่านนำนะเคลื่อนส่ดวงจิตนี้ก็ตามมาด้วยผ่านเลยครับเนี่ยตรงนี้เวลาเขาญาติโยมก็ขึ้นไปเอาน้ำมะพร้าวบ้านน่ะดวงจิตใหญ่มากเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ใสๆนะที่ ไฟนะที่วันนั้นป่อกูบอกว่าอาดาแกไปแกเพิ่งไปอยู่ศูนย์แกไปช่วยงานแล้วแกเป็นคนเปิดเครื่องเสียงวันนั้นก็เปิดปเลยธรณีกันแสงซึ่งศูนย์เราไม่เคยเปิดเพลงเศร้าแบบนี้พี่ภูเขาเขาถ่ายว่าทักว่าอาดาเปิดทําไมที่นี่ไม่เปิดแกก็ตกใจแกก็เปิดเป็นเพลงพระพุทธที่สั่งควรอิ่มปุ๊บแล้ก็ถ่ายเห็นภาพเนี่ยไฟลุกขึ้นมาเป็น พระพธิสัตว์ประทานพรนะบางทีจิตเขาอาศัยดินน้ำลมไฟเนี่ยมาสร้างภาพิมิตรสื่อให้เราเห็นด้วยตาเนื้อแต่ถ้าเราฝึกจิตวิญญาณเราจะได้สัมผัสด้วยญ า, าณทาศนะของจิตอันนี้เป็นภาพข้างหน้าเนี่ยคือประธานพรแบบนี้เหมือนกันนะ นี่อันนี้เหมือนเหมือนปางทรงมานะคือคือมานำจิตวิญญาณนี้ไป รูปร่างไม่ใหญ่นะพร้อมนะเนี่ยอันทีที่เขาวงกลมๆไว้เนี่ยนะคล้ายๆว่ามันเป็น อ, อมันยังมองไม่เห็นนะแก้วนะเป็นโลหิตธาตุนะ คือเลือดเนี่ย ก, ก็เผาไม่ละเหยนะก็จับเป็นก้อนบางทีก็เป็นเส้นเลือด ก, ก, ก็ยังอยู่นะีเ่เหมือนประการลงเส้นเล็กๆถึงไมทำไมไฟไหม้ไม่ได้นะ ซึ่งเราต้องไปศึกษานะไปดูอัธีทั่วไปเขาเผาเราสุดท้ายเราต้องขยันไปเก่งกว่าเขาเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงและทําไมสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่ยเขาวงให้เห็นเป็นแดงๆเป็นอะไรเนี่ยน ะ, ะเป็นเป็นแดงๆ แล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้งอกขึ้นมานะช่วงที่ถูกความร้อนเนี่ยเขากงอกขึ้นมาถ้าพระาะถ้านี้เราเราอย่าไปลอยน้ำเราทิ้งไวมเนี่ยเขาจะงอกเงยขึ้นมาทุกทุกวันนะเป็นสิ่งมีชีวิตนะเนี่ยอันนี้งอกขึ้นมาตัวนี้กลายเป็นสีแดงส่วนมากที่สายแดงเนี่ยเป็นส่วนมากที่ว่ามันมี เส้นเลือดฝอยต่างๆนั่นแะมันจะกลายเป็นสีแดงออกสีทองอันนี้อันนี้องค์ น, นี้ก็กอกขึ้นมานะ เราไม่เคยเห็นวยก็ไม่มีอะไรกระดูกธรรมดากระดูกธรรมดาไม่ใช่อย่างนี้นะรรนั่นแหละก้อนแดงๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเลือด ทิ้งไปนานๆเขาจะเปลี่ยนด้วยนะเขาจะเปลี่ยนเหมือนเป็นเป็นเป็นคริสตัลเป็นหินอะไรพวกนี้อันนี้เป็นส่วนของฟันเป็นของฟันฟันนี้เหลือทุกซี่เลยและในฟันนั้นก็ยังมีโลหิตอยู่ ก็อันนี้ทำไมต้องไปลอยอยู่ในน้ำโขงเนาะที่วันนั้นพ่อกูเกินเกินว่าเปิดให้ฟังว่าเพ่าหองเนี่ยไปลอยวันที่ยีบเจ็ดมกรา หลวงพ่อคุณไปลอยวันที่30มกราคมที่แม่น้ำโขงแต่อยู่ที่หนองคายนะเพราะแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำสาคนยาว 5,000 กิโลเมตรต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนนะเออเรามีคนถามว่าทำไมเอารูปลอยไปด้วยนะนะหลายคนว่าอองานสมปุ๊บเนี่ยบางทีพี่น้องแย่งรูปกันเพื่อเอาไปบูชาอะไรเนี่ยแล้วจะบูชา บูชาตอนที่ท่านอยู่เนาะนะตอนที่ท่านไปแล้วก็อย่าไปดึงไว้อย่าไปผูกนะลอยไปหมดคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดนะคือว่าอัปธิท่าก็ชั่งหรือว่าบางคนฝังศพไม่เผาอะไรก็ชั่งนะเอาเป็นว่าถ้าเราเหลือสิ่งนี้ไว้เนี่ยมันผูกแล้วก็วันไหนที่เราละเลยแล้วเนี่ยแทนที่จะได้บุญมันกลายเป็นบา นะคือระาวาังหมดคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดส่วนเราคิดถึงเรากระตันอยู่เนี่ยคิดถึงเมื่อไหร่เราจะทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่มีวันเดือนปีทุกวันทำบุญได้หมดนะโดยเฉพาะที่ศูนย์เนี่ยเราทุกวันเราทำดีละชั่วกัดเกาจิตให้ผงองใสงทุกวันแล้วเป็นไงหมดหรือยัง หมดแล้วเนาะโอเคนะพวกกูจะตอบการไปนิพพานกับการมีความรักไปด้วยกันได้หรือไม่ตอบว่าได้ครับนางวิสาขาแต่งงานมีลูกสองโหลสุดท้ายก็บรรลุธรรม นะเจ้าชายิทธาเองก็แตกงงานนะมีพระโอรสคือ อ, อะไรล่ะพร ะ, พระโอรสเออนั่นแหละเพราะกูไม่มีความจำ นะอันนั้นเป็นวิบากกรรร่วมเราก็ต้องมาเจอกันนะบังเอิญว่าส่วนที่เป็นบุญเนี่ยทำให้พระองค์เห็นทุกข์นะพระองค์วางลูกเมียตอนที่พระลาหุนอายุได้เจ็วันวางไม่ได้ทิ้งวางเพื่อมุ่งสู่สแสวงหาโมกขธรรมถ้าพระองค์ไม่มีบารมีเก่าทำไม่ได้นะ หลายคนมีคําถามนะพอมองหน้าลูกคิดว่าจะจากกันไม่วางไม่ลงเนาะก็ก็คําถามแรกว่าการไปนิพพานกับการมีความรักไปด้วยกันได้เองไปด้วยกันได้แต่ถ้ามีความเกลียดชังกันอนะไปนิพพานไม่ได้เริ่มจากความรักแล้วต่อไปเปลี่ยนกลายเป็นความเมตตาการุณามุติตาอุเบกขา การมีความรักหรือการมีคู่มันขัดแย้งกับการไปนิพพานแบบไหนอย่างไรมันไม่ขัดแยง้งเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีคู่เนี่ยเราก็มันมีกังวลเห่นไหมก็ไม่มีภาระการดำเนินมันจะง่ายกว่าเขาถึงว่าถ้าการออกบวชปุ๊บเราไม่ต้องทำมาหากินด้วย เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ทํามาหากินเราไม่บวชเนี่ยเขาด่าว่าไอ้นี่ทําไมขี้เกียจไอ้นี่ทําไมไม่ทํางานน่ยนะเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเราบวชปุ๊บไม่มีใครกล้าว่าเลเห็นไหมเราก็มุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเดียวโอกาสมันมีมากกว่านะก็ไม่มีปัญหามันอยู่ที่เราอะเนาะมันไม่ขัดแย้งการมีความรักหรือการมีคู่ไม่ขัดแย้งกับการไปนิพพาน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะละจากร่างนี้อาการต่างๆมันจะเป็นอย่างไรเราต้องเริ่มตามลมหายใจจงทิ้งร่างนี้ใช่ไหมนะถ้าละหมุนเป็นนะช่วงนั้นมันเกิดวิกฤตราตกใจมากมันหยุดที่ใจนะตกใจจนหน้ามืดตามมวไม่มีสติละ รือว่าเราเจ็บปวดมากเราไปอยู่ที่เวทนานั้นเนี่ยนะก็ขาดสติใช่ไหมเราก็ดึงให้เราออกมาเพราะสิ่งที่เรายังไม่ตายมันยังมีลมหายใจอยู่ก็มาจับมันไว้ก่อนเมื่อเราจับบางได้ปุ๊บจิตมันจะหมุนด้วยตัวมันเองเมื่อมันหมุนปุ๊บมันจะอยู่อากาศธาตุมันวางดินน้ําลมไฟอลไรเราบรรลุทำอีกขั้นหนึ่งแสดงว่าวันวินาทีนั้นนะเราวางขันห้าได้แล้วนะ ถ้าเราฝึกแล้วมันจะเกิดขึ้นอัตเมตินะแค่วินาทีที่เราตกใจก็อยู่ที่ใจนะอารมณ์กลัวเราเนี่ยมันจะครอบนาสตินะแล้วก็ดึงความรู้สึกเราเนี่ยมาตามลมหายใจก่อนเมื่อมันมันนิ่งดีแล้วเดี๋ยมันจะหมดนะมันจะเข้าเข้าไปสู่จิตในจิตนั่นะแหละมันก็อยู่กับอากาศธาตุมันวางดินน้ํำลมไฟนะ<ม>ก็ถึงว่าทําไมเราต้องเสียเวลาฝึก มรณะ น, นุสติก็ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราต้องตายแบบกระทันหันเราจะมีวิธีอะไรที่เราจะตายแบบไม่กังว น, นั่นแหละก็คือสตินั่นแหละทุกคนบอกสติสติสาคัญว่าเวลานั้นนะ่ะกำลังของสติมันสู้กระทันหันคือว่าความตกใจความกลัวความเจ็บปวด น, นั่นนะ่ะ เออถ้ามันแรงนะสติเรามันไม่สู้ไม่ได้มันก็ถูกดึงไปสู่ทุกขตินั้นนะถ้าเราฝึกมาแล้ววินาทีนั้นน่ะจิตกําลังของจิตมันมีเนี่ยมันจะดึงออกมาจากมิทนานะ่ะเห็นไหมเข้าไปสู่จิตในจิตนั่นแหละคือว่าเราวางได้แล้วนะครับต้องฝึกไงนะถ้าเราไม่ฝึกยิงปืนเป็นเราก็ยิงปืนไม่เป็นเนาะถ้าเราตายแล้วจิตของเราจะไปไหน จะไปไหนได้บ้างครับจะไปนรกก็ได้ครับจะไปสวรรค์ก็ได้นะจะไปนิพพานก็ได้นอ้อเออมันอยู่ที่ว่าเราเองนั่นแหละอยากไปไหนเป็นสิทธิของเรานะนะเออเราจะเลี้ยวซ้ายเป็นนรกก็ได้เลี้ยวขวาเปสวรรค์ก็ได้ตรงไปนิพพานก็เรื่องของเรานะแต่ทีนี้เพาะว่าเราเวลานั้นเราไม่อยากไปนรก แต่บังเอินเรามีแต่ทำความชั่วมันโดนว่าฉันไม่อยากเป็นลบฉันจะเป็นสวรรค์เนี่ยมันก็ไปไอกาลังความชั่วนั้นมันก็ดึงให้เราไปสู่ไปสู่นรกนะเราจึงไม่ประมาทไงเราต้องทําดีทุกวันละชั่วทุกวันขัดเก้าจิตให้โปร่งใสทุกวันนั่นแหะคนไม่ประมาทสะสมไปเรื่อยๆวันไหนที่มันเกิดเกิดขึ้นฉับพลันเนี่ย เราจะมีกำลังในข้ามพ้นความกลัวนะความเจ็บปวดตรงนั้นนิพพานคืออะไรครับและการปฏิบัติแนวนี้จะสามารถไปสู่นิพพานได้อย่างไรออได้อย่างไรได้เพราะระวางถ้าวางจริงๆก็ว่างจริงๆนะก็ความว่างนิพพานนิพพานไม่ใช่แดนไม่ใช่เมืองนั้นเมืองนี้นะ จริงๆแล้วนิพานนี่ังคมไทยนี่เกือบสิบกว่าปีมาเคยทะเลาะกันมีสองค่ายใหญ่ๆในเมืองไทยนะค่ายหนึ่งบอกว่านิพานเป็นอัตตาเพราะว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเพราะมันไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเพราะว่ามันเป็นอัตตาเพราะมันเป็นนิจจังนิจจังคือเที่ยงแท้แน่นอนนะมันถึงเป็นอัตตาอีกค่ายหนึ่งบอกว่า มันเป็นอนัตตาเพราะว่าในพระจันทร์พระไตรปิฎกบอกว่าสัพเพธรรมานัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเป็นอนัตตาเขาจึงบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเถียงกันจนวันนี้ยังไม่จบนะคือมันไม่มีบทพิสูจน์นะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งไปถามบ๊อกกูเขาท้ากันไปเลยตอนนั้นท้าที่กรุงเทพนะ ไอ้าย่ที่ว่าเป็นนิจจังเนี่ยขึ้นป้ายใหญ่กรุงเทพเลยถ้าพิสูจน์ว่านิพพานเป็นอนัตตาได้นเนี่ยจะให้ล้านหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาสัพเพก็คือสัพพสิ่งเขาบอกมันไม่สัพพสิ่งมันไม่เกี่ยวกับคำว่านิพพานเนี่ยก็คือยังไม่จบเนาะแต่คุณหมอคนนึงถามว่าพอกูว่าที่พกูว่านิพพานเป็นอะไรล่ะ ถ้ายังเป็นอะไรอยู่เรียกว่านิพานไม่ได้นิพานยังไม่ใช่นิพานเลยมันจะเป็นอะไรสำหรับพ่อครูนะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะมันไม่ใช่หลักวิชาการครําว่านิพานเป็นชื่อเรียกสมมุติว่าดรก้อยดรเนี่ยไม่เกี่ยวกับครูก้อยด็กรนี่ยคือมาตรวัดความรู้ของครูก้อย ด็อกเตอร์เนี่ยคือมาตรวัดความรู้ที่เราเรียนปริยายเองนะคนนี้เรียนถึงตรงนี้เนี่ยเขากเาเ็เป็นมาตรวัดความรู้ว่าผูก้อยเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวกับผูก้อยนิพานเหมือนกันนิพานเป็นมาตรวัดจิตซึ่งพัฒนาให้พ้นทุกได้แล้วนะถึงสิ้นสุดทุนเขาเรียกว่านิพานนะมันไม่ใช่เมืองแดน ไ, ไม่ใช่แดนอะไรพวกนี้นะก็ถ้าเราไปสัมผัสหลักมานเนีน่ เราก็ไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กันแปรถุถ้ามันยังเป็นอะไรอยู่คําว่าเป็นก็คืออัตตาไนงะมันก็ไม่ว่างมันจะเรียกว่านิพานไม่ได้นะแต่ที่นี้บางคนว่านิพานเป็นแดนนะทําบุญเยอะๆจะได้ไปอยู่แดนนิพานกับพุทธเจ้านะั่ น, นั้นเขาก็เข้าใจของเขาแบบนั้นนะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แดนแบบนั้นนะ เจ้าชายศรีษะเนี่ยวันวิสาขาบูชาตัสรุปธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตดวงนั้นเราเรียกว่าจิตพระอหรหันต์นะสภาวะธรรมตรงนั้นเรียกว่านิพพานทําไมดวงจิตดวงนั้นไม่ไปอยู่เมืองนิพพานยังอยู่ในร่างเจ้าชายศิรีษะทําทหน้าที่เผยแผ่ศาสนาอีก45้าพันษานะเห็นหรือยังนิพพานมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรนะ เคยนั่งมองหน้าลูกแล้วถามตัวเองว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรจะตัดทุกอย่างได้ไหมทุกครั้งที่มองคำตอบคือทําใจไม่ได้กิจ ค, คงวนเวียนกับลูกตลอดไปจะทำอย่างไรดีคะและเคยคิดว่าวันหนึ่ง ถ้าลูกเป็นอะไรไปก็คงทําใจไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะทําหรืออยู่ใน ส, สภาพไหนเห็นไหมก็เราเห็นแล้วไงเห็นว่าเราเห็นปุ๊บเราทำไม่ได้เห็นไหมที่เราปฏิบัตินคือคําตอบนะปฏิบัติเรื่อยๆเมื่อกําลังจิตเรามากขึ้นแล้วเนี่ยเรามีปัญญาแล้วเนี่ยลูกก็เป็นสมมุติ เพราะู้พูดคํานี้เป็นเรื่องเลยนะมีคุณป้าคนหนึ่งไปศูนย์ฟารานค่อยเป็นสมมุติได้ยังไงแบกท้องมาด้วยตัวเองเลยเห็นไหมเวลาคลอดก็เจ็บปวดนะแล้วไม่ใช่ลูกฉันได้ยังไงเป็นสมมุติได้อย่างไรนะเขายืนยันว่าเป็นลูกเขาเองเนี่ยเพราะว่าเขาเขาคลอดออกมาด้วยตัวเขาเองเห่นไหม เรายืนยันนะเราพูดจริงนะแต่สิ่งที่เราพูดมันไม่จริงนะลูกเราเพราเราลองระลึกชาตินะลูกเราเคยเป็นสามีเคยเป็นพ่อเราด้วยแล้วก็ลองไปดูอนาคตชาติเป็นลูกเราอยู่างไม่ไม่ลูกเราอาจจะเป็นสามีเราหรือเป็นลูกเป็นเป็นเป็นอะไรเราเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวนะแล้วธรรมชาติเขาไม่ได้เรียกว่าลูกด้วยคำว่าลูกนี่มนุษย์สมมติขึ้นมา เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นมาลูกฉันไงเห็นไหมมองหน้าลูกก็ร้องไห้แหละไม่รู้ระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเมื่อลูกใครจะไปก่อนใครนะอันนี้คุณแม่พูดเองนะถ้าลูกจากไปนี่ก็ทําใจไม่ได้ถ้าเราจะจากไปเราก็ทําใจไม่ได้นี่แหละคือทุกข์ทุกข์เพราะรักรักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์ธรรมชาติก็สร้างมาให้น้องรับกรรมอย่างนี้แหละมันเป็นกรรมร่วงชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอ ชาติหน้าเธอเกิดมาเลี้ยงฉันวนเวียนกันไปอย่างนี้เนี่ยวัฏตาสงสารน่ า, ากลัวมากเราจึงปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกรรมตรงนี้ทำไมศาสนาพุทธเราลูกชายเนี่ยเขาให้อุบายไปบวชนะซึ่งไปบวชปึ๊บวันที่บวชเขาทำยังไงได้อะไรได้ปมผมโกนคิ้วลดลาเลิกความสวยงามแล้วทำวิธีปุ๊บ หอมผ้าเหลืองเขาบวชเสร็จถามว่าหลังจากเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยลูกกับแม่ใครไหว้ใครใครกราบใครถ้าแม่กราบลูกนี่เป็นอาเพศนะตอนนี้แม่กราบพระะมันเป็นอุบายที่ทําให้แม่วางจากนี้ไปไม่ใช่ลูกฉันแล้วเขาเป็นเขาเป็นสาวกของพระเจ้า เป็นอุบายวิธีที่ทําให้แม่วางลูกที่นี้แม่รักลูกนะแต่เขาให้กอดลูกไม่ได้แล้วลูกเป็นพระไปถึงก็ต้องกราบลูกนะก็เป็นเทคนิคที่ให้เราฝึกปล่อยวางแลนะเนื่องจากความรักลูกสมัยก่อนเราไม่มีเวลาไปวัดไม่มีต้องทํามาหากินแต่ที่เนื่องจากความรักลูกก็ต้องไปนะไปทําบุญที่วัดนะคุณแม่มีโอกาสทําบุญแหละเห็นไหม เออมีโอกาสทำบุญแล้วก็ถ้าเป็นเจอพระพระจริงๆท่านกลัวเป็นหนี้เราเราไปทำบุญวัตถุทางท่านก็ให้ธรรมาทานเราเห็น ไ, ไหมพูดจนคุณแม่ปฏิบัติทำปุ๊บคุณแม่ก็ล้างความผูกพันตรงนั้นอันนี้คืออุบายทางศาสนาเนะี่ยมันเป็นลูกเราแต่เป็นลูกชั่วข่าวมันไม่ใช่จจิตๆนะก็ ถามว่าปู่ทำยังไงฝึกต่อไปถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยทำใจไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์โดยเฉพาะระหว่างแม่กับลูกเนี่ยผูกพันกันมากกว่าพ่อกับลูกนะนั้นเป็นกรรมร่วมปัจจุบันแม่อุ้มมากับมือเลยเหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งของเรานะความผูกพันนี้มันก็ทํามันเป็นสัญชาตญาณที่ธรรมชาติทําให้เกิดมาแม่ต้องลากลูกไม่งั้นเกิดมาทิ้งทิ้งทิ้ง ท, งทงนะระบบเอ่อ เคยแพรเผ่าพันธุ์ร่มสลายหมดนะมันต้องเป็นธรรมชาติแม่ตรงแลลูกแล้วก็ดูแลไปเหมือนไก่มันออกไข่เห็นไหมมันไม่ได้ไข่ทิ้งนะมันก็ไปโกกไข่เห็นมโกกจนเป็นลูกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทิ้งมันก็พาลูกมันทามาหากินนะพอลูกโตปุ๊บมันก็วางลูกมันได้แต่คนระวางได้ไหมไม่ได้ ลูกยังไม่แต่งงานพราแต่งแล้วเนี่ยหลานยังไม่โตเห็นไหมอ่ไปเลยยาวเลยผูกันแักยาวเลยเห็นไหมเราสู้ไก่ก็ไม่ได้เห็นไหมนี่แหละคือความผูกพันที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อตัดความผูกพันนั้นฟังแล้วมันเหมือนโหดร้ายไม่ใช่ไม่ใช่โหดร้ายไม่ใช่ธรรมชาติโหดร้ายนะแต่เราหลงเองไม่มีใครบอกเราสักคนหนึ่งธรรมชาติวางนี่ลูกเธอนะแต่มันลึ้สมมติว่านี่ลูกฉัน เราสมมุติเองไก่มันไม่สมมุติแต่คลอดออกมาปุ๊บมันดูแลมันมันดูแลเพราะสัญชาตญาณเห็นไหมเพราะว่าลูกมันทํามาหากินเสร็จปุ๊บมันก็ปล่อยนะมันทําหน้าที่ตามธรรมชาติแต่มนุษย์เราเนี่ยเราไปผูกหลังองค์ความรู้ไปตอ่อยามมันในลูกฉันฉันจะให้อนาคตลูกฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมไปผูกเงื่อนมันก็เลยวางไม่ลง ชีวิตคนเราเกิดมาจำเป็นไหมต้องมีคู่ชีวิตจําเป็นไหมคุณคูรอถ้าไม่มีคู่เนี่ยตำรวจจับไหมทุกวันนี้พ่กคูเห็นนะนะผู้หญิงไทยสมัยโบราณเนี่ยกลัวเขาหาว่าขึ้นคานกลัวมากใช่ไหมก็เลยไปขึ้นเขียงให้เขาโขกศัพท์ไงระหว่างขึ้นเขียงขึ้นคาลจะเอาไหน ทุกวันนี้เรายอมขึ้นขานกันเยอะแยะเลยคนฉลาดเนาะคือมีคู่ก็ดีไม่มีคู่ก็ดีดีหมดอ่ะเพราะคูเคยพูดในหนังสือธรรมะเราเส้นเ ล, ล็กๆล่ะดีที่หนึ่งคือไม่ต้องแต่งงานดีที่สองแต่งแล้วไม่ต้องอยางดีที่สามยาแล้วไม่ต้องแต่งอีกบางคนเอาดีที่สี่เเอาดีที่สี่ แต่งแล้วเราอย่าเราคิดว่าบังเกินเจอคนผิดอาจจะเจอคนถูกใจก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเจ็บแล้วไม่จำ <c oughs> มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันเป็นตามวิบากกรรมที่เราสร้างมาพอเจอผูป้ประเชิญมันเนาะประเชิญมันยอมรับในวิบากกรรมแล้วก็ถ้ามีโอกาสฝึกจิตเราก็ขัดเก่าไปเรื่อยตัดกระแสกรรมในจิตเรานะ ทำหรือบอกก่าต้องทำหรือบอกก่าแม่อยากไรไม่อยากให้แม่ยึดติดกับบ้านที่อยู่ยึดเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของแม่ไว้แต่เจตนาของแม่อยากได้เอาไว้ให้ลูกหลานคืออยากให้แม่ได้ปล่อยวางทั้งๆ ท, ที่แม่ก็ไปปฏิบัติธรรมและสวดมนต์อยู่ทุกวันนะก็ เรามีเจตนาดีก็ดีแล้วก็แนะนําท่านส่วนท่านทําได้แค่ไหนไอการแม่รักลูกไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดเขาก็ทําหน้าที่เขาก็เป็นห่วงและสังคมไทยเราเนี่ยสหวสิการสังคมมันไ ม, ไม่มั่นคงไงนะครนะอบครัวไหนก็ต้องห่วงลูกหลานแต่พ่อ ก, กูอยู่อเมริกาไม่ต้องห่วงนะพอลูกหลาน18ปดปีบ อ, บอกบ๊ายบายพ่อแม่รวยขนาดจุบบ๊ายบา ย, บาย ฉันไปทํามาหากินเองบางครอบครัวไม่มีใครรับมรดกนะเพราะคนหลังเขาถือว่าเขาจะสร้างด้วยตัวเขาเองนะบางครอบครัวต้องมอบมรดกนี่ให้รัฐบาลนะวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันแล้วก็พ่อแม่ไม่ต้องห่วงลูกเพราะว่าขอให้แค่เขาไปทํางานปุ๊บเลยเขาก็ดํารงชีวิตได้ไปทํางานร้านอาหารไปล้างถ้วยล้างจานตําแหน่งต่างๆต่างๆนะไปเทขยะปุ๊บเขาก็มีรถเก๋งขี่เขาก็ผ่อนส่งบ้านได้เขาก็ไปตีกอล์ฟได้ คือสังคมเขาสวัสดิการเขามันมันมั น, ม, นมันดีแต่บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นก็ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงเรามากเลยอยากให้ลูกมีฐานะพออยู่ได้อะไรเนี่ยไม่ใช่ความผิดของแม่แต่เรามีเจตนาอยากให้แม่ปล่อยวางก็เป็นเรื่องที่ดีนะส่วนแนะนำแล้วพูดแล้วทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปคาดหวังสิ่งที่เราต้องทำคือปล่อยให้ทำให้ตัวเองวางได้ก่อนเนาะทำให้ตัวเองวางได้เพราะว่า รักกันแค่ไหนก็ช่วยกันไม่ได้เรื่องกระแสกรรมนะส่วนหนี้หนี้ศีลทางโลกเราอาจจะไปจ่ายหนี้แทนได้แต่หนี้เวียนหนี้กรรมเนี่ยของใครของมันรักกันแค่ไหนเนี่ยชดทดแทนกันไม่ได้นะใครยกคนนั้นก็หนับใครวางคนนั้นก็เบากระตันญูต้องรู้คุณรู้โทษไม่ได้แปลว่าสนองตัญหานะ